วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สามสิบธันวาคมพุทธศักราชสอง5ันห้าสห้าเป็นวันพระวันฟังเทศฟังธรรมวันเจริญปัญญาบารมีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบอยสัตว์ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านให้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกภารกิจทางร่างกายคือการทำมาหากินเลี้ยงชีพไว้หนึ่งวันเพื่อมาทำภารกิจทางด้านจิตใจมาสร้างบุญบารมี ต่างๆที่จะได้สนับสนุนจิตใจให้มีความสุขให้มีความเจริญก้าวหน้าให้อยู่ห่างไกลจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงวันพระนี้ท่านเรียกวันธรรมสวรนระแปลว่าวันฟังธรรม การฟังธรรมนี้เป็นการสร้างปัญญาบา ร, รมีขึ้นมาปัญญานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเกิดจากการศึกษาอ่านหนังสือธรรมะต่างๆ ท่านเรียกปัญญานี้ว่าสุตมะยะปัญญาสุตตานี้คือการได้ยินได้ฟังพระสู่ต่างๆของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่คือการเรียนรู้การสร้างปัญญาขึ้นมาขั้นขั้นที่หนึเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่อ่านหนังสือธรรมะ เราก็จะไม่รู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนให้เราได้รู้อะไรบ้างนี่งั้นสิ่งแรกที่เราต้องเรียนกันก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะนำเอาไปพัฒนา ต่อไปคือปัญญาขั้นที่สองปัญญาขั้นที่สองนี้ท่านเรียกว่าจินตามรยาปัญญาคือการพิจารณาไข้ควรพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้หลืมนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเราเรียนอะไรแล้วถ้าเราไม่ทบทวน ไม่คิดไม่พิจารณาอยู่เรื่อยๆความรู้ที่เราได้เรียนมาก็อาจจะลืมไปได้ดง mm. ั้นเพื่อ mm. เพื่อไม่ให้เราลืมธรรมะคือความรู้ที่สำคัญที่จะเราจะมาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของพวกเรา เราก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ลืมอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาขั้นที่สองปัญญาที่ไม่หลงไม่ลืมได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาพระธรรมคำสอนมาแล้วก็จำได้ แล้วก็จะนำไปสู่การใช้สร้างปัญญาขั้นที่สามต่อไปปัญญาขั้นที่สามนี้คือปัญญาที่เราจะเอาไปใช้ในการปฏิบัติกับกิเลสกับศัตรูของพวกเรา<ม>ที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราอยู่เรื่อยๆกิเลสเป็นตัวที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจกัน ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถใช้ปัญญานี้ดับกิเลสทำลายกิเลสได้เมื่อเราทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลง นี่ก็จะหมดไปปัญญาขั้นที่สามนี้ต่างจากปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือว่าปัญญาขั้นที่สามนี้ต้องมีการภาวนาจิตตะภาวนาเป็นผู้สนับสนุนจิตของผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจิตตภาวนานี้ จะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาที่ได้เรียนรู้จากขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองมาใช้ระ ง, งับกิเลสตัณหามาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้จึงต้องต้องมาภาวนากันก่อนมาเจริญจิตตภาวนาคือขั้นส ม, มถภ า, าวนานั่นเอง สมรถภ า, าวนาแปลว่าการทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาถ้าใจสงบใจเป็นอุเบกขาใจจะมีกำลังที่จะสู้กับความโลภความโกรธและความหลงต่างๆได้ถ้าใจยังไม่มีความสงบยังไม่มีอุเบกขาเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธ เกิดความหลงขึ้นมาใจจะหยุดระงับมันไม่ได้เมื่อหยุดระงับความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ผลของของความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่ดับไปก็คือความทุกข์ใจต่างๆนี่ความทุกข์ใจต่างๆที่เรามีกันอยู่นี้มันเป็นผลที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงของเรานี่เอง ที่เราจะต้องใช้ทั้งปัญญาและใช้ทั้งใจที่มีความสงบที่มีอุบเบกขามาระงรับความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่สามท่านเรียกว่าภาวนามาย์ปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี้จะเป็นปัญญาที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงนี้หยุด ทำให้ความทุกข์หมดไปต้องอยู่ที่ปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังไม่มีกําลังพอที่จะระงับดับความทุกข์ได้เป็นเพียงแต่เป็นการเรียนรู้ว่าเราจะต้องอรู้อะไรแล้วก็เอาความรู้อันนี้มาใช้ ดับความโลภความโกรธความหลงด้วยการสนับสนุนของใจที่มีความสงบมีสมาธิมีอุบเบกขาถ้าใจยังไม่มีความสงบไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขานี่ใจจะหยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญาเป็นผู้คอยสอนให้รู้ว่าผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่นี่คือปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สามระดับด้วยกันสำสำหรับผู้ที่ต้องการจริยนปัญญาเพื่อที่จะระงับดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจต่างๆด้วยการกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ให้หมดสิ้นไปจากใจก็จำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาทั้งสามระดับนี้ท่านแรกเราก็ต้องมาศึกษาก่อนว่าความรู้ที่พรเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้กันนี้คืออะไรเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในการหยุดกิเลสหยุดความโลภความอยากต่างๆความรู้ที่พรเจ้าทรงสอนให้พวกเรามารู้กันก็คือ ใายลักนี้เองตายลักนี้แปลว่าคุณลักษณะสามประการของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศหรืออะไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ มีคุณลักษณะอยู่สามประการด้วยกันคือลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าอนิจจงคือไม่เที่ยมแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีการเกิดขึ้นมามีการตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็มีการสิ้นสุดลงดับไปถ้าไปอยากให้มัน ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการสิ้นสุดอันนี้ก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจความอยากที่ฝืนความเป็นจริงของของของตายรักนี่เองใจของพวกเรานี้มักจะอยากในสิ่งที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเราอยากให้สิ่งที่เรามีอยู่ที่เรารักเราชอบอยู่กับเราเป็นของเรา ไปเรื่อยๆไม่จากเราไปไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีไม่หมดไปแต่ความเป็นจริงนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันก็อยู่กับเราได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จากไปเวลามันจากไปมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจคือความทุกข์ ของใจที่เกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงนั่นเองให้สิ่งที่จากไปนี้ไม่จากไปมันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์นี่คือคุณลักษณะข้อที่สองของสิ่งทั้งหลายที่เรามีอยู่ที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไปอยากให้เขาเที่ยงเมื่อไหร่เมื่อนั้นใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันที แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปห้ามเของไม่ได้ทำให้เขาเที่ยงไม่ได้<ม>เพราะเขาเป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าธรรมชาตินี่เอง<ม>นี่ก็คุณลักษณะข้อที่สามถ้าเรียกว่าเป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา<ม>ของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้ความจริงมันไม่ใช่เป็นของเรา ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเรามันก็ไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นสภาวะธรรมทางธรรมชาติเรียกว่าเป็นปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนกับฝนตกแดดออกอันนี้เป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่มีใครไปคนสั่งให้ฝนตกให้แดดออกไม่มีใครเป็นเจ้าของฝนไม่มีใครจะเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าของแดด ธรรมชาตินี้เป็นเจ้าของเป็นผู้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาในโลกที่เราอยู่กันในขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งนั้นแต่เรามองกลับไม่มองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมธรรมชาติเรากลับไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมบังคับ ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราให้ได้พอมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็เลยทําให้เราทุกข์ น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเรียนรู้กันก็คือคุณลักษณะสามประการของสิ่งต่างๆที่เรา มาสัมผัสรับรู้ในโลกนี้ทั้งของที่ใกล้ตัวเราและของที่ไกลตัวเราเป็นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเป็นของเราของใกล้ตัวเราก็ไม่ใช่ของเราของไกลตัวเราก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไป บางเวลาเรายังควบคุมบังคับได้บางเวลาเราสั่งเขาได้แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะไม่รับคำสั่งของเราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเช่นร่างกายของเรานี้ร่างกายของเรานี้มันก็เป็นตายลักมีคุณลักษณะสามประการคือหนึ่งมันไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่มีการ จเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดานีร่างกายมันก็เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครันของพ่อแม่เนี่ยเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในครันของแม่แล้วก็จเจริญเติบโตในครันของแม่พอจเจริญเติบโตเต็มที่ก็ต้องคลอดออกจากท้องแม่มาพอออกจากท้องแม่มามันก็เริ่มเจริญเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อย จากทารกก็เป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโต<ม>แล้วก็จเจริญต่อไปเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ชราผู้แก่ชราเป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็เป็นผู้ตาย<ม>นี่คือลักษณะของร่างกายของเราเป็นลายลักษ์เหมือนกันเป็นของไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆจากจเจริญไปสู่ความเสือ่อมตอนต้นก็มีการจเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตเต็มที่ก็เริ่มเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยและในที่สุดก็ไปสิ้นสุดลงที่ความแก่ที่ความตายที่ความเจ็บที่ความตายอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตา คือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกฝนมันก็เริ่มตกตกสักพักมันก็หยุดตกเอแดดมันก็ขึ้นมันแดดมันก็ออกเดี๋ยวแดดมันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จเจรขึ้นมาแล้วก็แก่ลงไปและในที่สุดก็สิ้นสุดลงเวลาร่างกายสิ้นสุดลงสิ่งที่ประกอบทําให้เกิดร่างกายคนนี้เราเรียกว่าธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มาผสมกันมาสร้างร่างกายให้มีอวัยวะต่างๆให้มีอาการ32ประการด้วยกัน เช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆที่เรามีกันอยู่นี้มันทำมาจากดินน้ำนองไฟดินก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นเองเช่นของแข็งทั้งหลายเช่นข้าวผักเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เรียกว่าเป็นธาตุดิน เราท่าดินเข้าไปแล้วเราก็ดื่มน้ําเข้าไปแล้วเราก็หายใจเอาอากาศเข้าไปแล้วเราก็เอาความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้ามาในร่างกายเราพอท่าทั้งสี่มารวมกันในร่างกายมันก็จะเริ่มผลิตชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายผลิตผมผลิตขนผลิตเล็บร่างกายแล้วนี้ก็พูดถ้ามองก็เหมือนกับโรงงานโรงงานหนึ่ง ที่มีการผลิตหรือมีการสร้างให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่เรื่อยๆที่เด็กโตขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีการเติมธาตุสีนี้ต่ออย่างต่อเนื่องลมหายใจนี้ต้องหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาธาตุน้าก็คือของเหลวต่างๆเช่นน้ำาดืม่มน้ำนม อ, อะไรพวกนี้ ก็คอยดื่มเข้าไปอาหารก็ถ้ายังเป็นเด็กอยู่ก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุดินคือผสมอยู่ในน้าเช่นน้หนมนี้ก็มีส่วนของธาตุดินผสมกับน้ำเข้าไปเช่นเวลาเราเอานมผงไปผสมกับน้ำเนี่ยล้วก็เอาเนี่ยธาตุดินคือนมผงไปผสมกับน้ำแล้วก็ดื่มเข้าไปพอร่างกายได้รับ ดินน้ำน ม, มไฟเข้าไปสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะผลิตอวัยวะต่างๆทำให้อวัยวะต่างๆนั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาไปเรื่อยๆแต่การจเจริญเติบโตของร่างกายมันก็มีขอบเขตของมันมันเป็นธรรมชาติที่เมื่อมันจเจริญได้เต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลง มันก็จะเริ่มนับถอยหลังลงไปอาการสามสิบสองก็จะเริ่มชำรุดสุดโทนไปอวัยวะต่างๆมันก็จะชำรุดสุดโทนไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแ ล, แล้วมันก็จะเริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย<อ>เวลาที่อวัยวะมันชำรุดสุดโทนเช่นตับเลยหัวใจเอยปอดเลยมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บปรากฏขึ้น มีโรคหัวใจบ้างมีโรคปอดบ้างมีโรคตับมีโรคไตต่างๆเพราะนี้มันเป็นธรรมชาติของของทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เร า, เาพูดถึงร่างกายเป็นตัวอย่างร่างกายมันก็ต้องมีการเสื่อมมีการชำรุดทุดสทรเพราะมันจะก้าวเข้าไปสู่การยุติการทำงานของร่างกายนั่นเองในที่สุดหัวใจก็ต้องหยุดเต้น อวัยวะต่างๆที่ทำงานอยู่ก็หยุดทำงานพอเมื่อไม่มีการสนับสนุนด้วยธาตุสี่คือดินน้าลมไฟร่างกายนี้ก็จะไม่สามารถตั้งอยู่ได้ต่อไปร่างกายมันก็จะเริ่มแยกตัวออกจากกันคือธาตุที่มารวมกันในร่างกายนี้ก็จะแยกออกจากกันเรื้องต้นคือธาตุลม ธาตุลมก็จะไม่เข้าไปในร่างกาย ม, ามีแต่ลมที่จะระเหยออกตามทวานต่างๆตามมาด้วยธาตุไฟความร้อนในร่างกายก็จะหมดไปร่างกายของคนตายนี้จะเย็นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีธาตุน้ำต่างๆที่จะแยกออกจากร่างกายธาตุน้ำที่ออกมาตามทวานต่างๆ จนทิ้งจนในที่สุดร่างกายก็จะเหลือแต่ธาตุดินแห้งกรอบหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้จะแห้งกรอบไปหมดอวัยวะจะแห้งแล้วก็จะในที่สุดก็จะผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือลักษณะของความไม่เที่ยงของร่างกายและอนัตตาคือการไม่มีตัวตนของร่างกายไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ เราคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นธาตุรู้เป็นเป็นธาตุรู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไว้เอาไปใช้งานให้ทำประโยชน์อะไรต่างๆเหมือนกับเราไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งเวลาเราไปซื้อรถยนต์นี้เรากับรถยนต์นี้ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันเราเป็นคนขับรถยนต์ เราพารถยนต์ไปไหนมาไหนตามที่เราต้องการฉัในใดเราคือธาตุรู้ซึ่งเป็นดวงวิญญาณดวงจิตเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เป็นมีความรู้มีความสามารถที่จะมาเกาะติดกับร่างกายที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาได้แล้วสามารถที่จะ สั่งการให้ร่างกายทาอะไรต่างๆตามที่เราต้องการได้เราต้องการจะไปไหนมาไหนเราก็ใช้ร่างกายนี้พาเราไปเหมือนกับเราใช้รถยนต์เราอยากจะไปไหนถ้าเรามีรถยนต์เราก็สามารถขับรถยนต์ไปไหนมาได้ได้อย่างสะดวกสบายฉะนันใดเราอยากจะมีเราอยากจะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆ เราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายเราที่พูดถึงนี้หมายถึงธาตุรู้คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่รู้ผู้ที่พอมาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็จะรู้สิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายเวลาตาเห็นรูปเนี่ยธาตุรู้ก็จะรู้ว่ามีรูปปรากฏให้เห็นเวลาได้ยินเสียงเวลามีเสียงปรากฏขึ้นมาก็รู้ว่ามีเสียงปรากฏขึ้นมา ผู้ที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑที่เข้ามาทางตาหูจมูกวิ้งกายนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายแต่เป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาอาศัยหรือมาครอบครองร่างกายเป็นสมบัติชัช่วคราวนั่นเองแต่ในที่สุดพอร่างกายนี้ถึงจุดอวาสานถึงจุดจบก็ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ เนื่องจากอวัยวะต่างๆของร่างกายนี้หมดสภาพไม่สามารถทำงานได้ร่างกายนี้ก็จะหยุดทำงานใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็จะแยกออกจากร่างกายนี้ไปใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายจะเจ็บจะตายนี้ไม่ได้ทำให้ใจผู้ที่มา คอบครองร่างกายนี้เจ็บตัวตายไปด้วยแต่ปัญหาของใจก็คือใจนี้ไม่รู้ความจริงอันนี้นั่นเองใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายพวกเราทุกคนนี้เป็นใจผู้ที่กาลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายเป็นเพียงแต่มีหน้าที่ รับเสียงเข้าไปในหูแล้วก็ส่งไปที่ใจทีนั่นเองร่างกายนี้เปรียบเทียบ ก, ก็เป็นเหมือนกับไมโครโฟนไมโครโฟนที่รับเสียงแล้วก็ส่งต่อไปที่ลำโพงลำโพงก็จะขยายเสียงออกมาฉันใดร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือท่านนันเองไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายไม่มีตัวเราไม่ได้เป็นของเรา เป็นเพียงเครื่องมือที่เราคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้มาครอบครองเอามาใช้เป็นเครื่องมือท่านเองแต่เราผู้ที่มาได้ร่างกายนี้เราไม่มีความรู้อันนี้เพราะหนึ่งเราไม่มีรูปร่างหน้าตาของตัวเราเองใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นกายทิพย์เนี่ยเป็นกายทิพย์ที่ไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกาย แต่พอมาครอบครองร่างกายก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นเราขึ้นมาคิดว่าเราคิดว่าร่างกายเป็นกายทิพย์แต่ความจริงร่างกายนี้ไม่ได้เป็นกายทิพย์ไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นไป ตามที่ร่างกายนี้เป็นไปอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นี้จะไม่มีใครรู้เลยว่าผู้รู้ผู้คิดนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันผู้รู้ผู้คิดเป็นเหมือนคนขับรถเป็นเหมือนส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์แต่มาอยู่ร่วมกันมาทำงานร่วมกันมาทำงานตามคาสั่ง ของผู้รู้ผู้คิดอันนี้คือสิ่งที่ผู้รู้ผู้คิดคือพวกเราทุกคนไม่รู้กันพอเราได้ร่างกายพอเราออกจากท้องแม่มาพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็เห็นร่างกายอันนี้เราก็เลยคิดว่าเรานี้เป็นร่างกายอันนี้แล้วก็ทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดก็เลยไม่มีใครรู้ว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงที่ ที่เป็นความจริงก็คือร่างกายกับผู้รู้ผู้คิดนี่เป็นคนละคนกันแต่เมื่อไม่มีใครรู้ก็เลยเชื่อกันตามกันมาเชื่อว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันแล้วพอเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรเราก็คิดว่าเราเป็นไปกับร่างกายด้วยอันนี้คือที่มาของความทุกข์ของเราทุกข์เพราะว่าเราพอมีร่างกายเราก็ อยากจะให้ร่างกายนี้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตาย mm. เพราะว่าเราต้องการที่จะอยู่ไปนา น, านๆเพราะเรายังอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภะชนิด ต, ต่างๆการที่เราจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ เราก็จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองจึงทำให้เรานี้ไม่อยากตายกันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บความไม่อยากนี่แหละความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่เป็นไม่ใช่เพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายนี่มันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกข์กัน เหตุที่ทำให้ใจของเราทุกกันก็คือความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายเพราะความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเพะเราพออะไรเป็นเราเราก็ไม่อยากจะให้มันเสียหายเราก็อยากจะให้มันดีอย่างเดียวอยากให้มันเจริญแข็งแรงมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมไม่ตายแต่ น, นี่เป็นความ ความความหลงความอยากแบบนี้เป็นความหลงเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงก็คือร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันนี่แหละคือธรรมะที่พทะเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเรียนรู้กันในเบื้องต้นให้รู้ว่าเหล่านี้คือใจคือธาตุรู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ชั่วคราวชั่วเท่าที่ร่างกายนี้จะอยู่ได้ ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของถาวรมันไม่ได้อยู่กับโลกนี้ไปได้ตลอดมันอยู่ได้เป็นเวลาหนึ่งซึ่งแต่ละคนเวลาของร่างกายของแต่ละคนก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันบางคนร่างกายของบางคนอยู่ได้ไม่กี่วันคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เสียเลยก็มีแล้ว อ, อยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งก็มีเดือนหนึ่งก็มีปีหนึ่งก็มี คือร่างกายของแต่ละคนนี้ไม่แน่นอนว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้นานเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนก็คืออยู่ไม่ได้อย่างถาวร อ, อยู่ได้ในที่สุดก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงสมัยนี้อยู่เกินร้อยนี้ก็แทบจะหายิ่ได้ยากมากแล้วมีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถอยู่เกินร้อยได้เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่เรา ไม่ยอมรับกันไม่ได้ไม่ยอมคิดกันคิดอยู่เรื่อยๆว่าอยากจะให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น <c Sach giving> ความอยากให้ร่างกายมันอยู่ไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์กันหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเราต้องมาระง qu ับความอยากเหล่านี้ให้ได้ระงับความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายให้ได้เพราะว่า ถ้าเรารังงับได้ใจของเราจะไม่ทุกข์กับความแก ی, ค่ความเจ็บความตายเนี่ยแล้วความจริงเราก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกับร่างกายด้วย <C> e <an> แล้วเราไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรร่างกายยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ผู้ที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์นี้ก็อยู่ที่ความอยากของ ของพวกเรานี่เองของใจของพวกเราถ้าใจของพวกเราไม่มีความอยากรู้ว่าอยากแก่ไม่ได้อยากอยากแก่ก็ไม่อยากไม่แก่ก็ไม่ได้อยากไม่เจ็บก็ไม่ได้อยากไม่ตายก็ไม่ได้ได้สิ่งที่ได้ก็คือความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ความทุกข์ใจจากความอยากเหล่านี้เราไปอยากมันทําไมเราสู้อยากไม่อยากไม่ดีกว่าเลยเราอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าอยู่กับร่างกายไปตามความเป็นจริง เหมือนกับเราอยู่กับธรรมชาติอย่างอื่นเช่นกับดินฟ้ากะเนี่ยเราก็รู้ว่าเราไปอยากไม่ได้เวลามันหนาวอยากจะให้มันร้อนก็ไม่ได้เวลามันร้อนอยากจะให้มันเย็นก็ไม่ได้เวลานฝนมันตกอยากจะให้มันหยุดก็ไม่ได้แต่เราก็หัดอยู่กับมันไปได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้ไปควบคุมบังคับไปได้ ฉันใดร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ธรรมชาติเพียงแต่ว่าเรามีความหลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราและเราไปคิดว่าเราจะสามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ซึ่งเราก็ทําได้ในระดับหนึ่ง <S <S <S ตอนนี้เรายังสามารถควบคุมบังคับร่างกายให้ทําตามคําสั่งของเราได้อยากจะไปไหนมาไหนก็ให้มันพาเราไปได้ แต่ต่อไปมันพอมันเริ่มชราลงไปเริ่มแก่ลงไปเริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็สั่งมันไม่ได้แล้วอยากสั่งให้มันไปนู่นมานี่มันบอกไปไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันว่าร่างกายของเรานี้มีคุณลักษณะสำคัญอยู่สองอังคือมันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วก็มันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถ้าเราเชื่อแล้วเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่ทุกข์กับมันเลยเพราะเราจะไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรานั่นเองนี่คือความรู้ในขั้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเรียนรู้กันให้เรารู้เรื่องร่างกายกับใจ ว่าเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นเบาวใจเป็นนายใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแต่ใจนี้เป็นของเที่ยงใจเป็นของที่ไม่ตายใจไม่มีวันตายเราให้ร่างกายตายกี่ครั้งกี่หนนะใจนี้ก็ไม่มีวันตายเป็นกับร่างกายใจนี้อยู่ไปตลอดเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนท่านนั่นเองอยู่แบบสุข อยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ถ้าอยู่กับความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเรามันก็จะทำให้ใจอยู่แบบทุกข์ต้องมาทุกข์กังวลกับเรื่องความเป็นความตายของร่างกายอยู่แทบทุกวันเลยทุกวันทุกวันนี้ที่เรากังวลกันก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายของเราความเป็นอยู่ของร่างกายว่ามันจะอยู่ดีกินดีหรือไม่หรือมันจะอดอยากขาดแคลน มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าอย่างเช่นช่วงนี้ก็มันจะติดโรคหรือเปล่ามีโรคระบาดเนี่เป็นเพราะว่าเราไปไปรักไปหวงร่างกายนี้ไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เสมอไปบางทีเราไม่อยากจะติดโรคมันก็ทำให้เราติดโรคขึ้นมาได้ บางทีแล้วไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ถ้าเรารู้ความจริงเหล่านี้แล้วเรายอมรับความจริงอย่าไปสวนความจริงด้วยความอยากต่างๆสวนความจริงด้วยความอยากไม่ให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้ จากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาธรรมอันนี้เรียกว่าสุตมยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาถ้าเราไม่มาศึกษาเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันเป็นเหมือนแฝดสยามเป็นสยาเป็นแฝดคู่กันติดกันมาตั้งแต่เกิด แล้วก็จะแยกกันก็ตอนที่ตายเท่านั้นเองแล้วแฝดแฝดคู่นี้ก็มีแฝดหนึ่งที่มองเห็นมีรูปร่างหน้าตาแต่แฝดอีกคู่อีกข้างหนึ่งนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้ความคิดนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมหรือเรามาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ว่า เราก็ร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน mm hmm. เราอยู่ที่ใจเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ mm hmm. พาเราไปหาความสุขจากลาบยศสาร mm hmm. เสริญและความสุขทางตาหูจมูกม้นกายนั่นเอง mm hmm. จากรูปเสียงกลิ่นรสผดถพาทางชนิดต่างๆ mm hmm. เราต้องมีร่างกายเราต้องใช้ร่างกาย mm hmm. อันนี้ขอให้เราเรียนรู้ว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกัน ร่างกายเป็นของชั่วข่าววันใดวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงวันงร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครยกเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าและพลาาระอรหันตสาวกทั้งหลายร่างกายของท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าใจของท่านนี้ไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะท่านรู้ความจริงของร่างกาย ก็เลยไม่มีความอยากที่จะไปฝืนความจริง<ม>เพราะรู้ว่าการมีความอยากฝืนความจริงจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเอง<ม>ท่านจึงอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับร่างเรื่องร่างกายของท่านร่างกายอยู่ท่านก็ปล่อยมันอยู่ไปร่างกายมันจะตายท่านก็ปล่อยมันตายไปท่านก็เลยไม่ทุกข์กับมันตายของท่านก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระหลานตัสาวกทั้งหลายก็ยังมีอยู่จนบัดนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่อยู่ในที่ที่เราไม่สามารถติดต่อกับท่านได้ท่านอยู่ในโลกทิพย์ในระดับพระนิพพานเป็นระดับที่สูงสุดของโลกทิพย์โลกทิพย์นี้มีแบ่งไว้หลายระดับด้วยกันสูงสุดก็ระดับนิพพานลถต่ำลงมาก็ระดับระดับพรหมต่ำลงมาก็ระดับเทพ แล้วก็มาสู่ระดับของมนุษย์แล้วก็ต่ำลงไปก็ระดับเดรัจฉานระดับเปรตอสูรกายและนรกนี่นี่คือระดับต่างๆของกายทิพย์ที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปต่างๆกายทิพย์นี้หรือใจนี้ไม่มีวันตายมีแต่จะเปลี่ยนไปตามตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้ทำบาปกายทิพย์ก็จะ จเจริญขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงทำบาปายทิพย์ก็จะเสื่อมลงแล้วก็จะจะมีความทุกข์มากขึ้นความสุขก็จะมีน้อยลงไปนี่คือคุณสมบัติของของพวกเราคือใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่มีวันตายมีแต่ขึ้นขึ้นลงลงไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่เรามาทำกันในแต่ละวันนี้นั่นเอง ถ้าเราได้มาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระเจ้าเราจะได้รู้จักวิธีที่เราจะรักษาหรือดูแลใจของเหล่านี้ให้เป็นใจที่มีแต่ความสุขให้ให้เป็นใจที่ปราศจากความทุกข์ได้ด้วยการรู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นร่างกายของเหล่านี้เราต้องปฏิบัติกับมัน โดยที่จะทำให้เราไม่ทุกข์เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของร่างกายนั่นเองเราทำอะไรให้กับร่างกายได้ในตอนนี้เราก็ทำไป <S <S เราเลี้ยงร่างกายได้เราก็เลี้ยงมันไปดูแลมันไปแต่วันหนึ่งมันจะอยู่ในเวลาที่เราไม่สามารถที่จะช่วยมันได้เวลามันแก่นี่เราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ได้เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ห้ามมันไม่ได้เวลาที่มันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเรายังยังทุกขอยู่กับความจริงก็เพราะว่าเรายังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่เองวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายมันก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นที่สอง ปัญญาขั้นแรกเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันเป็นของที่เราที่จะต้องเสื่อมจะที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากเราไปในวันใดวันห น, นึ่งข้อที่สองของปัญญานี้ขั้นที่สองก็คือให้เรามานึกให้มันเรามาพิจารณาอยู่บ่อยๆ อ, อย่าลืมความจริงอันนี้ความจริงก็คือเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้ใช้ร่างกายส่วนร่างกายนี้เป็นผู้รับใช้เรา ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาทำต่อขั้นแรกเราเรียนก่อนเรียนรู้ความจริงอันนี้เรียนรู้ความจริงของร่างกายและใจรู้ว่าอันไหนเป็นของที่ไม่เที่ยงอันไหนเป็นของเที่ยงแล้วขั้นที่สองเราก็เอามาพิจารณาอยู่เนืองเนืองพระพุทธเจ้าทรงสอนชาวพุทธเรา ให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ี่ต้องมีการพัดพากจากกันสอนให้ใจเราอย่าลืมและพยายามสอนให้ใจเราพยายามทำใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น อันนี้เป็นหน้าที่ของบัญญาขั้นที่สองให้เราคอยคิดอยู่เรื่อยถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราลืมพอเราไปทำมาหากินหาเงินหาทองหาความสุขต่างๆจากจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความความจริงของน่างกายเราก็จะลืมไปแล้วความอยากฝืนความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นมาในใจเพราะเมื่อเรามีความสุขจากการหาลาบยศรเสริญหารูปเสียงกิ่นลดาเส เราก็อยากจะหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายนั่นเองอันนี้เป็นพ่อเราลืมนะพรามัวแต่ไปคอยหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่เรื่อยๆดังั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่ลืมก็คือเราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างน้อยทุกวันตด่นขึ้นมานะสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือหลังจากถ้าเราไหวพ้พระสวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้เสร็จแล้ว กห้พิจารณาบทความจริงอันนี้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมิแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายต้องมีการพัดพากจากของทั้งหลายทั้งปวงเตือนสติไว้สอนใจไว้จะได้ทําให้เราไม่หลงเวลาเราไปหาความสุขต่างๆมันจะได้เตือนเราว่าเป็นความสุขชั่วคราวนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นความสุขถาวรสิ่งที่เราจะได้จากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพ่าต่างๆนี้ มันเป็นความสุขชั่วคราววันหนึ่งมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงอันนี้สอนเตือนใจบ่อยๆมันจะได้ทำให้ใจเรานี้ลดความหลงลดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แต่มันก็ยังทำให้ใจเราห้ามความอยากนี้ไม่ได้อยู่เพราะเรายังต้องมีความสุขกันทุกคนเกิดมานี้ก็เพื่อที่จะมาหาความสุขกันละความสุขที่พวกเราทุกคนหาได้ก็ ความสุขที่เราได้จากราบยศสารเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่องัองนั้นเราต้องหาวิธีใหม่หาวิธีหาความสุขใหม่วิธีที่เราจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรานื่อก็เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบก็คือวิธีทําใจให้สงบนั่นเองไปนะปฏิบัติจิตตภาวนาที่เรียกว่าไปปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ มีประโยชน์หลายอย่างด้วยกันประโยชน์แรกก็คือจะทำให้เรามีแหล่งหาความสุขได้ใหม่เมื่อก่อนนี้เราอตอนนี้เราหาความสุขได้จากเพียงแต่ทางร่างกายอย่างเดียวใช้ร่างกายพาเราไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิจรมาเสกอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขชั่วคราววันใดวันหนึ่งพอร่างกายหมดความสามารถเราก็จะไม่สามารถหาความสุขเหล่านี้ได้ เราก็ต้องอย่าไปพึ่งนั่งกายมากจนเกินไปเราควรที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบะว่าเรายังมีความสุขเอกรูปแบบหนึ่งที่เราหากันได้นั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมการเจริญจิตตภาวนาคือสมถะภาวนาทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งเป็นสมาธิแล้วพอใจนิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะพบกับความสุข ที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพธะธอันนี้คือที่มาของว่าทำไมเราจึงต้องมาภาวนากันเพราะเราเราต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแหล่งของความสุขแทนที่เราจะหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะมาหาความสุขจากทางใจโดยตรงเลยเพราะว่าใจของเรานี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย สามารถถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขทางใจได้แล้วเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาเมื่อเราสามารถมีความสุขทางใจได้ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยความสุขทางร่างกายต่อไปพอเราไม่ต้องอาศัยความสุขทางร่างกายได้แล้วทีนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายได้ เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเพราะเรามีแหล่งของความสุขเราใช้ใจเป็นผู้หาความสุขนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำเพื่อที่จะได้ปล่อยวางร่างกายได้ยอมรับความจริงของร่างกายได้ว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อันนี้คือขั้นที่สามของปัญญาเราถ้าเรามีความสุขทางใจเราใช้ใจเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เราก็จะสามารถที่จะปล่อยวางไม่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะระงับความทุกข์ที่เราเคยทุกข์กับร่างกายนี้ได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ เรามีเรามีความสุขจากการทําใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาสมถภาวนาก็คือการที่เราจะทําใจให้สงบถ้าใจเราสงบนิ่งเมื่อไหร่ใจของเราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีและวิธีที่จะทําให้ใจของเราสงบนิ่งได้นี้ mm. เราก็ต้องระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันชั่วคราว ช่วงที่เราไปปฏิบัติทำนี้เราต้องถือศินแปดกันศินแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้เราหาความสุขผ่านทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่จะมาหาความสุขหรือสร้างความสุขทางใจความสุขของใจเรานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทําใจให้หยุดนิ่งให้หยุดคิดให้ได้ และสิ่งที่จะช่วยทาใจให้หยุดคิดให้ให้ให้นิ่งได้ก็คือสติสตินี้เป็นเครื่องมือที่จะคอยควบคุมใจให้หยุดคิดให้ใจนิ่งอยู่เฉยๆได้สตินี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้เวลาวิ่งไปไหนมาไหนถ้าเราต้องการให้รถยนต์นี้มันจอดนิ่งเราต้องเหยียบเบรกกันถอนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกกัน ถ้าถ้าเราเหยียบเบรกแล้วไม่ถอนเบรกนี้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วรถก็ต้องหยุดมันจะวิ่งต่อไปไม่ได้เพราะว่าเรามีเบรคอยหยุดมันดังนั้นใจของเราก็เหมือนกันใจของเราจะนิ่งได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจเราคิดเรื่อยเปื่อยปกติพวกเราทุกคนนี้พอตื่นขึ้นมาก็เริ่มคิดละคิดเรื่องนั้นคิดเรื่อง น, องนี้คิดเรื่อยเปื่อยคิดไปเรื่อย แล้วความคิดนี้ก็พาให้เราไปสู่ความวุ่นวายใจต่างๆบางทีก็พาให้เราไปสู่ความวิตกกังวลแล้วก็พาให้เราไปสู่ความโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มมันก็จะเป็นตัวคอยดันให้เราไปหาความสุขทางร่างกายอยู่เรื่อยๆแต่พอเราจเจริญสติการจเจริญสติก็คือต้องมีอะไรคอย ให้เราคิดอยู่เช่นให้เราคิดอยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธแทนที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็เปลี่ยนเรื่องคิดมาคิดแต่เรื่องพุโทโธคําเดียวเรียกว่าคําบริกรรมเรลืมตาขึ้นมาแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเราทํากิจวัตรอะไรประจําวันของเราที่เราต้องทําแล้วก็ทําควบคู่ไปกับพุโทโธอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็พุโทโธพุธโทโธไป อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่จาเป็นจะต้องคิดอันนี้พูดถึงเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบคือเราจะไม่มีเวลาไม่มีไม่มีงานต้องทำไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบเช่นในวันหยุดของเราหรือในวันทีเ่เรากำหนดขึ้นมาวันที่เราว่างจากการทำงานต่างๆไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเราอยากจะมาเจริญสติ อยากจะมาหาความสุขทางใจเราก็ต้องไม่มีภารกิจการงานทางด้านอื่นไม่มีการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีหน้าที่เดียวเท่านั้นก็คือมาเจริญสติมาพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆเพื่อคอยควบคุมความคิดของเราให้ได้หยุดความคิดของเราให้ได้เวลาที่เราเคลื่อนไหวเราก็พุโทโธไปพอเวลาเรามีเวลาที่จะนั่งสมาธิได้เราก็นั่งหลับตาแล้วเราก็พุโทโธต่อไป ถ้าพุโทโธอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะมีสติเรียกแสติสัมปชัญญะสติที่ต่อเนื่องถ้ามีสติที่ต่อเนื่องเรานั่งสมาธิแล้วมีแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเดี๋ยวไม่นานใจเราก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบพอดิ่งเข้าถึงความสงบแล้วมันก็เนิ่งสงบมีความสุขขึ้นมามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นัตสันติประลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีถ้าเราได้ถึงความสุขนี้แล้วความสุขที่เราเคยได้รับจากลาบยศสรรเสริญความสุขที่เราเคยได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพะคพชนิดต่างๆนี้มันจะไม่มีความหมายสำหรับใจของเราอีกต่อไปเพราะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ความสุขของใจความสุขของความสงบนี้เป็นความสุขที่ ยิ่งใหญ่ไพศาลความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นความสุขจิ๊บจ้อยเท่านั้นเองพอเราได้ความสุขที่ดีกว่าเราก็จะเลิกหาความสุขที่ด้อยกว่าได้ถ้าเราพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปใจของเรานี้จะมีความสุขกับความสงบได้ตลอดเวลาไม่มีวันไม่มีวันสึ้นสุดพอเรามีความสุขทางใจได้เราก็เลิกความอยากที่จะไปหา ความสุขทางร่างกายได้เมื่อก่อนนี้เราต้องมีความอยากหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็อยากไปดูบ้างไปฟังบ้างไปกินไปดื่มบ้างอยากจะได้เงินได้ทางบ้างอยากจะได้ยศได้ตําแหน่งบ้างอยากจะได้คนยกย่องสรรเสริญเยิอนยออยากจะได้รางวีลรางวัลอะไรต่างๆความอยากเหล่านี้มันจะหาให้ไปหมดถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ พอเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบปัญญาที่เราได้เรียนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมั น, ม, นมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่เป็นของเรามันจะต้องกลับเกินสู่ธรรมชาติวันใดวันหนึ่งใจของเราก็จะปล่อยวางได้รับความจริงอันนี้ได้ไม่ไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเรามีความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อไป เราสามารถหาความสุขผ่านทางใจได้โดยตรงเมื่อเราผ่านมีความสุขผ่านทางใจได้เราก็ปล่อยวางความสุขทางร่างกายได้ความอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะหายไปเองเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไก็เพียงแต่รู้ว่ามันเป็นเหมือนรถยนต์ทันหนึ่งในที่สุดมันก็ต้องเก่าเก่าแล้วมันก็ต้องเสีย เสียก็ต้องซ่อมซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปร่างกายก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือขั้นที่สามของปัญญาปัญญาที่เรียกว่าภาวนามย์ปัญญาที่ที่ต่อยอดมาจากขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรกันก็รู้เรื่องเรื่องใจกับเรื่องของร่างกายให้รู้ว่าใจนี้ไม่ตายให้รู้ว่าร่างกายนี้ต้องตาย แล้วสาเหตุที่เราทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าเราอยากให้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพา เ, เราไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆเพราะเราอยากจะมีความสุขกันและวิธีที่จะมีความสุขก็ต้องใช้ร่างกายพาเราไ ป, พ า, าไป ız, พาเราไปเที่ยวพาเราไปกินพาเราไปเด่นพาเราไปดูไปฟังอะไรต่างๆแต่ร่างกายของเรามันไม่เที่ยมมันจะต้องแก่ลงมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันจะต้องตายเวลาที่มันทน หาความสุขให้กับเราไม่ได้เราก็จะทุกข์กันดังนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึงหาความสุขจากการเจริญ ส, ส ม, มะถะภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งเป็นสมาธิพอเมื่อใจนิ่งเป็นสมาธิแล้วเราก็จะมีความสุขพอเรามีความสุขเราก็จะตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้ พอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปร่างกายจะแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะตายก็ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้ากับพระหลานนี้ท่านก็มีร่างกายเหมือนพวกเราแต่เวลาร่างกายของท่านแก่ร่างกายของท่านเจ็บร่างกายของท่านตายนี้ใจของท่านไม่เดือดร้อนเพราะใจท่านสามารถมีความสุ ข, ข, ขจากการทำใจให้สงบได้ตลอดเวลานั่นเอง อันนี้แหละคือวิธีการที่เราจะมาใช้ปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรต้์นันํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราให้พวกเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติจเจริญปัญญาทั้งสามขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งก็มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย เ, อยเพื่อเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเราเร า, เราเป็นใครกันแนะ่แล้วเราไม่เป็นเราไม่เป็นใครเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจและการหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขชัว่วคราวสู้การหาความสุขทางใจไม่ได้หาความสุขทางใจได้ก็ไม่ต้องอาศัยความความสุขทางร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนให้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เอามาเตือนใจสอนใจให้เราพยายามเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วมุ่งไปหาความสุขทางใจกันแล้วพอเราไป ไปหาความสุขทางใจได้เราก็จะไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไปอาศัยร่างกายมาเป็นเครื่องมือร่างกายต่อไปร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายนี้เรายิ้มได้เราจะเฉยเฉยได้ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาจากการหาความสุขจากใจของเรานั่นเอง นี่แหละคือเรื่องของปัญญาทางพระวุธศาสนาที่นำม า, มาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสากะลังเอวามวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติ ยิชิตังปัตถิตังตุมหังคิดเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธานณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรร ม, มวะทานติอายุวันโนสุขังภาลาัาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะเป็นช่วงเดียวที่จะสนกุกสะดวกต่อการคุยกันถามกันเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำต่อใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะมาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง u t u b e ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยอดผู้รับชมทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์มี379ท่านยู u b e 254ท่าน Facebook 379ท่าน YouTube d ก c ตอร์วีชนล107ท่านวิทยุออนไลน์10ท่านครับเฮา17ท่านนากุติ210ท่านรวมทั้งหมดเป็น977ท่านเจ้าค่ะ ถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยมีคนส่งข้อความเข้ามาข้างหลังข้างหลังคำถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะเดินจงกรมควรเอาจิตอยู่กับลมหรือการเดินดีครับอยู่กับการเดินดีกว่าเพราะลมดูยากกว่าลมของละเอียดดูร่างกายมันง่ายกว่าอยู่ที่เท้าเราเดินก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไป หรือถ้าจะใช้พุโทโธพุธโทโธไปก็ได้คำถามฝากถามจากคุณจรัญญาค่ะมีสองข้อข้อหนึ่งแก่นแท้ของการศึกษาพระพุทธศาสนาคือการรู้จักร่างกายชีวิ ต, ตวนี้ว่าเป็นอนัตตาควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ร่างกายมีความทุกข์คือมีความ มีความเสื่อมไม่แข็งแรงทนทานเหมือนเดิมและร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป้าหมายการเรียนพระพุทธศาสนาคือต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายนี้ใช่ไหมคะใช่ให้เข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเครื่องมือชั่วขาวไม่ใช่เป็นของถาวรวันหนึ่งเราก็ต้องต้องแยกกันเวลาแยากทางกันก็จะทุกข์ ถ้าไม่อยากทุกก็อย่าไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาหาความสุขทางใจแทนจะพูดนะเจ้าคะมันไม่เที่ยงมันมันไม่อยู่ภายใต้มำ น, นา้ของเรา <c oughs> <c oughs> ฉันถามนนข้อที่สองเจ้าค่ะ โยมลองพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนว่าให้พิจารณาอาการ32โยมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็พบว่ามันมีลักษณะแข็งๆเป็นลักษณะธาตุดินไม่ได้มีเชื่ออะไรก็พิจารณาไปถึงน้ำลายพอร่างกายตายธาตุสีก็จะแยกกันไปอยู่ที่ที่เขาอยู่น้ำลมไฟ แยกกันอยู่โยมพิจารณาอย่างนี้ไปทุกนาทีได้ไหมคะได้พิจารณาเพื่อให้รู้ว่าไม่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้มีเพียงแต่อาการต่างๆค่คคำถามถัดัยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามวิธีที่จะแยกผู้รู้ออกจากผู้คิดให้แจ้งให้ชัดได้อย่างไรคะก็ต้องสดสติหยุดคิดเนี่ย พอหยุดคิดผู้รู้กับผู้คิดก็จะแยกกันเหรือแต่ผู้ผู้รู้อยู่ตัวเดียวผู้คิดก็หายไปชั่วคราวคำถามถัดไปจาก YouTube ค่ะจากคุณพรมริ์ิจใจรักษากราบนมัสการครับพระอาจารย์กระผมมีข้อสงสัยในธรรมะอยากถามเวลาทำงานที่ต้องใช้สมองหรือเวลาศึกษาเล่าเรียนควรภาวนาหรือไม่และควรตั้งจิตไว้อย่างไร เวลาทำงานก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทำไปยังภาวนาไม่ได้เวลาภาวนานี้ต้องทำตอนที่เราไม่ทำงานทำได้ก็เพียงแต่เจริญสติคือให้มีสติรู้อยู่กับงานที่เราทำอย่าให้ใจเราไปคิดเรื่องต่างๆค่ะคำถามข้อที่สองค่ะธรรมโอสถท่านภาวนาอย่างไรทำไมโรคที่เป็นอยู่ของท่านจึงหาย โลกทางร่างกายมันไม่หายหรอกถ้าหายพระพุทธเจ้าก็ไม่ตายนะที่หายก็คือโลกใจทางทุกข์ใจที่เวลาเกิดความทุกข์ทางร่างกายใจเราก็ทุกข์ตามไปด้วยเราก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้เจ็บพอใจเข้าใจใจก็เลยหายทุกข์ใจก็ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปห่ายเดียว จากคุณสิริมาจูนน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูเลี้ยงนกแก้วพันเล็กนกออกลูกมาหรือต้องการเพาะต้องการเพาะนกขายจะเป็นบาปหรือไม่คะถ้าเลี้ยงแล้วเอาไปขายโดยที่เขาไม่ไปฆ่าก็ยังไม่บาปนะถ้าเอาเลี้ยงเพื่อให้เขาเอาไปฆ่านี่มันก็เราไม่ได้ฆ่าเองมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทำเพราะไปส่งเสริมไม่เขาเลยเขาฆ่า อย่าไปเลี้ยงสัตว์อย่าไปทำอาชีพกับสิ่งที่มีชีวิตจะดีกว่าเราเราไม่รู้ว่าจะไปกระทบกระเทือนกับชีวิตเขาอย่างไรบ้างค่ะคำถามถัดไปจากคุณนรงชัยกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขอกราบเรียนถามว่าพ่อชงเจตจะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรครับก็เริ่มต้นที่สตินะสติก่อนสติแล้วอย่างอื่นก็จะตามมาตามลาดับต่อไป ฝึกสติให้ได้สมาธิก็จะได้อุเบกขาได้อุเบกขาแล้วก็ไปพิจารณาทางปัญญาในธรรมะวิจัยค่ะคําถามถัดไปจากคุณทิศชัยค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติธรรมถือศีลในชาตินี้แล้วเราตายไปกลับมาเกิดในชาติหน้านิสัยเก่านิสัยเดิมที่เราเคยถือศีลปฏิบัติธรรมเราก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ ก็อยู่ที่ว่ามันเป็นนิสัยหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นนิสัยมันก็ลืมได้แต่ถ้ามันทําจนเป็นนิสัยมันก็จะติดไปกับใจพอกลับมาแล้วก็จะมาทําต่อต้องทําให้เป็นนิสัยแต่สีนี้ต้องรักษาเป็นนิ จ, จสีไม่ใช่มารักษาเพียงแค่วันพระวันเดียวอะไรทำนองนี้ต้องรักษามันทุกวันจนกระทั่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามันก็จะติดไปกับเราค่ะคำถามจัด ถัดไปจากคุณปี亚马ศ์ค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะปกติเราไปซื้อเนื้อหมูที่ตลาดแต่ที่ร้านไม่มีขาหมูเราสั่งล่วงหน้าพรุ่งนี้เอาขาหมูอย่างนี้เราจะบาปไหมคะถือว่าเราสั่งฆ่ามไหมคะบาปเพราะเราไปบอกเขาให้ไปหาขาหมูมาให้เราถ้ามัน <c oughs> ขาขาหมูตายไม่มีมันก็ต้องไปสั่งก็ต้องไปค่าเพื่อจะเอาขาหมูมาให้เร า, าเวลาไปซื้อของอย่าไปสั่งล่วงหน้า ซื้อตามที่เขามีวางขายไว้ถ้าเป็นเนื้อสัตว์กนะ็ะจะไม่บาปค่ะคำถามถัดไปจากคุณอภิน ญ, ญาเราจะสงบจิตเราจะสงบจิตจะอย่างไรเพื่อบุพการีติดเหล้าเมาแล้วมีเหตุโวยวายพยายามสงบใจไม่ให้โกรธทำได้แป๊บเดียวและไม่อยากมีเวรต่อกันไปในภพชาติอื่นอีกค่ะก็ะพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆ เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็อย่าหยุดพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะหายโกรธ ค, คำถามถัดไปจากคุณปีเตอร์ค่ะกราบ น, นมั ส, สการหลวงพ่อครับขอโอกาสหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำพูดที่ว่าจิตเป็นอนัตตาด้วยขอรับจิตก็ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้เหมือนกับร่างกายร่างกายก็เป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟจิตก็เป็นธาตุรู้ เพียงแต่ว่าจิตมีความหลงให้ปุงคิดต่างขึ้นว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรความจริงแล้วจิตก็ไม่ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมชาติอย่างเหมือนกันค่ะคำถามปัดถัดไปจากคุณ oxs09 กับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะความอยากที่จะอยาก จะทำความดีเป็นกิเลสหรือไม่คะไม่เป็นกิเลยเรเป็นธรรมความอยากจะทำบุญความอยากจะรักษาสิงความอยากจะฟังเทศฟังธรรมปริบททัติธรรมนี้ถือว่าไม่ไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นทางสู่การดับกิเลสดับความทุกข์ต่างๆตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมที่อยู่ในศาลานี้ในกุฏินี้